259. ปฏิสารณียกรรมวิวาทะถาว่าด้วยความขัดแย้งในปฏิสารณียกรรม 436. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุด่าบริพาทพวกครหัดถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ด่าบริพาทพวกคฤือหัสเอาละพวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแก่พิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่พิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่พิกษุรูปนั้น แล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยธรรมปฏิรูปลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นสงผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวแย้งว่า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 กรรมพร้อมเพรียงกันโดยทรรมปฏิรูปและพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมทำไม่ดีต้องทำใหม่จัดเป็นฝ่ายธรรมวาทีในที่ประชุมนั้น